ท่นานผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามขอได้โปรดทราบว่าเวลาพูดเวลานี้คุาลองป่วยมากลิ้นแตกทั้งแผงพูดไม่ถนัดแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าเป็นการบันทึกความจำพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า แต่ความจำพิเศษในบรรดาท่านพุทธบริษัทคือมันพิเศษจริงๆเนื่องจากการป่วยไข้ไม่ส บ, บายเป็นสำคัญเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบาสี่ตอนกลางคืนกำลัง น, นอนภาวนาอยู่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผิวขาวรูปร่างหน้าตาสวย เธอเดินยิ้มเข้ามาหาแต่ว่าเครื่องแต่งตัวของเธอผ้านุ่งเธอนุ่งผ้าไหมสีทองแล้วก็เสื้อสีไหมสีแดงจัดเธอยิ้มเข้ามาหาพอราะด้วยความรู้สึกขึ้นก็ตกใจคิดว่าสภาพแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟังบางท่าน อาจจะคิดว่าชายหนุ่มท่าหญิงสาวมหาก็มีโชคดีหรือว่าชายแก่หญิงสาวมหาก็มีโชคดีที่เรียกว่าควายแก่กินยาอ่อนแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นลักษณะของสีผ้าของเธอหน้าโกรันั่นคือผ้าสีแดงเพราะเป็นสัญญากันมิอยู่ว่าถ้าหากว่าจะป่วยไข้ไม่สบายก็จะปรากฏสีแดงขึ้น ถ้าสีแดงเป็นชิ้นใหญ่ก็จะป่วยมากถ้าสีแดงเป็นชิ้นเล็กก็จะป่วยไม่มากคือไม่นานนักถ้าสีแดงแดงจัดจะมีการป่วยจะหนักมากถ้าสีแดงเป็นแดงสีเล ด, ดหมูก็ป่วยน้อยอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อไพ้ปรากฏภาพอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าคราวนี้เราต้องป่วยอาการป่วยคราวนี้ต้องน่ากลัวมาก เพราะว่าเสื้อของเธอแดงจัดถ้าเดินเข้ามาใกล้แต่ก็ว่าตัดสินใจคือว่าขึ้นชิวความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราอยู่นี่เราอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาในเมื่อมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปขออย่างเดียวถ้าได้มีโอกาสสอนธรรมะขอ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการสอนพระเพื่ที่เียกว่าไม่มีค่าจ้างรางวัลใครจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของขผู้ให้ถ้าหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สอนแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไอเรื่องนี้มันเป็นของธรรมดาเรื่อยมาป่วยเรื่อยมาเครียดจัดแต่ว่าคราวนี้หนักกว่าทุกคราวจึงจําเป็นต้องบันทึกแะเปของแปลก นั่นคือว่ามาถึงวันที่22สิงหาคม2534ก็เริ่มเป็นไข้หวัดพร้อมกับอาการเหน่อย้าการปวดที่สะเกิดขึ้นเป็นไข้หวัดด้วยแล้วปวดที่สะด้วยตามธรรมดาเป็นไข้หวัดไม่ค่อยจะ ป, ปวดที่สะแล้วก็มีอาการมินงงเป็นกรณีพิเศษ ขาก็ยกไปขึ้นไอ้ขาเนี่ยปรเดี๋ยวก็บวมข้างซ้ายประเดี๋ยวก็บวมขวามันบวมกันเปตลอดเวลาเป็นเวลาเดือนเสที่ขาบวมบางทีก็บวมทั้งสองขาบวมจนใส่รองเท้าไม่ได้บางทีก็เปลี่ยนเป็นบวมขาซ้ายบ้างบวมขาขวาบ้างแล้วก็มาวันที่ดิบยี่บสองยี่ิบสาบวมทั้งตัวหน้าก็บวมด้วยก็มีความหนักใจอยู่หน่อยหนึ่ง ว่าการป่วยเขานี่หนักใจมากเมื่อพอที่23ตอนเช้าหมอสุธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่ระเด็กที่วัดท่าสงก็มาเช็คร่างกายความจริงไม่นัดกับเธอแต่หมอคนนี้มีความห่วงใยมากถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องพบหมอสุธรรมทุกอย่างที่ไม่เกินความสามารถหมอจะต้องทำเพราะถึงอยู่ใคร้ ได้ไปการหนึ่งถ้าหมอจรูนสั่งมาอย่างไรหมอทุธรรมตามตาม น, น, นั้นเธอก็มาเช็กความดันความดหิตตามกดโดยความดันหิตในวันนั้นตอนเช้าร้อยหกสิบตามธรรมดาความดันหิตจะมีขนาดหนึ่งร้อยบ้างร้อยสิบบ้างร้อยี่สิบบ้างถึงร้อยสามสิบเป็นพิเศ ษ, ษ, ษเป็นอย่างสูงสุดเพราะนั้นความดันร้อยหกสิบ หมอบอกว่าความดันสูงไปหน่อยต่อม า, อาการทางกายก็เครียดหนักพูดไม่ออกลิ้งแข็งเวลาจะสอนกรรมฐานก็พูดไม่รู้เรื่องก็มีความหนักใจอาการไข้ก็มากขึ้นอาการปวดท้างที่ก็มากขึ้นถึงเมื่อวันที่ยี่ิาก็ตัดสินใจ ที่ว่าการทางร่างกายของเรานี่มันไม่ดีจริงๆเพราะการป่วยไข้มันสบายมันเป็นของปกติธรรมดาแต่ว่ามันเกินวิสัยเกินไปคือป่วยเสียทุกวันถ้าเรายังจะอยู่แบบนี้อีกอาการป่วยแบบนี้ก็ยังมีตลอดไปถ้าหากว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วเราจะไปไหน ไปดูเทวดาไปดูนางฟ้าไปดูพรหมไปดูพระหลานท่านมีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์มีแต่ความสุขด้วยกันทุกคนสําหรับเราใครๆเขาก็นิยมว่าดีคนนั้นก็ว่าดีคนนี้ก็ว่า ด, าดีแต่ความจริงนี่มันไม่ได้ดีเลยอาการทางท้องก็อื่นก็เสียดทายุจาระก็ไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิยุจาระอยู่ก้อนหนึ่งไม่ค้างมาเป็นปี มันแข็งมากอุจาระที่ออกมาได้ต้องหลว อ, อ, อุจาระกรนี้ออกไปมันค้างอยู่ในลำไส้แต่มันก็พิ่งมันจะสลายตัวเมื่อเดินนมิถุนา ย, ยนที่จันทุเทอที่บ้านของคุณสมบูรณ์คุณวันดีอมเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีบาง ท, อง ท, องทอง้ทอนมันสลายตัวคขานั้นปรากฏสวมกบครึ่งโถ ổ, แต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานมันก็ก่อตัวไปในเมื่อก่อก็ก่อตัวใหม่มันก่กอตั ว, ด, ตวด้วเร็วมากมันก็เบียดเสียดลาไส้คับลาไส้ไอ้อาหารที่กินเข้าไปก็ถ่ายไม่ออกแลยจะถ่ายก็ต้องแทรกเจาก้าเนยออกไปมันแสงจะลาบากยากเข็นคืนหนึ่งต้องเดินเข้าส่วมสี่ห้าครั้ง อ, ออกทีละหน่อยทีละหน่อยทรมานมาเป็นปี พอมาถึงวันที่2ิสิบห้าสงหาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่เวลากลางคืนก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปแต่ความจริงตามที่พระท่านบอกว่ายังไม่ควรจะไปบอกไว้ตั้งปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอาไว้พูดกัิทีหลังก็มาเล็กใจว่า การอยของเราถ้าอยู่อย่างนี้มันเป็นการปรมาณที่เกินสมควรอายุจริงๆของเราก็ไม่ถึงเท่านี้ถ้าเราตายไปนานแล้วเราจะมีความสุขมากถ้าตายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเราก็เป็นพรหมตายตั้งแต่สมัยอายุพระเป็นพระอย่างน้อยๆอายุน้อยๆอยูยก็เป็นพรหมเขาไปเที่ยวพรหมโยเสมอถ้าตายระหว่างนี้ ไม่ช่วงหลังนี้เราก็จะมีความสุขกวามพรมก็มานั่งนึกในใจว่าจะตายดีถ้จะอยู่ดีจึงไปหาพระท่านพระท่านบอกว่าช่วยฉันก่อนทุกอย่างมันยังไม่เสร็จขอให้ช่วยให้เสร็จซะก่อนอีกประการหนึ่งบัญชีของวัดยังไม่เรียบร้อย การเียนสองบัญชีของโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยเขาจะยุ่งเรื่องการเงินเกรบอกว่าบัญชีเงินฝากทุกอย่างสําหรับไหวก็ดีถ้อโรงเรียนก็ดีแต่ถ้าเล่มบอกไว้ชัดว่าเงินประเภทนี้ใช้อะไรใช้เฉพาะดอกผลหรือว่าใช้ต้นด้วยเป็นเงินประเภทไหนเป็นเงินที่มีไว้เพื่อพระก็ดีถ้าไม่มีเงินไว้เพื่อพระวงไหวก็ดีหลวงพ่ฟ้าก็ดี หรือเป็นเงินที่บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททำบุญมาแต่ยังสร้างไม่ทันฝากไว้เล่มหนึ่งจึงหากบอกไว้ชัดว่าทำอะไรบ้างเรื่องวุ่นไวายไม่มีท่านก็บอกว่าขอให้ช่วยกันก่อนให้วัดบรรเสร็จก่อนให้พูดกันใหม่แต่ว่าฉันขอยืนความเดิมความเดิมของท่านบรรดาแต่พุทธบริษัท ก็จะไม่ข อ, อกล่าวน้นที่นี้ความเดิมเป็นยังไงฉันขอยืนความเดิมก็ลาท่านกลับมาก็มานั่งตัดสินใจคิดว่าขึ้นเที่ยวทุกขเวทนาไม่ครอบงำบามากเลยเกินหนักเกินก็ที่จะทนต่อไปถ้าเราหาทางแก้ไขไม่ได้ก็ขออยู่แค่สิ้นพศสองพันห้าร้อยสาิบสี่ ขึ้นต้นปีพศ .2505 ขอตายแต่การตายของเราจะตายแบบไหนก็ตามถ้าตายอย่างปกติที่เขาตายกันไม่ได้เราก็จะาตายแบบพระโคดิกะแต่คงไม่เชื่อขอตายวิธีตายอย่างอื่นมีท้งไปแต่ว่าการตายเหมือนกันคือทำให้ร่างกายมันตายเสีย จิตใจของเราจะได้ไประโยชน์ที่เป็นสุขคัดตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ออกจากร่างกายไปสวรรค์ชั้นดาวึงสเทวโลกไปที่เทวสภาเนี่ยมันพูดเราคิดไม่คออกบนดายญาจจติโยมบริษัทไปที่เทวสภาเวลาทั้งกระเบนโกเทวดากระผมไปชุมกันทั้งหมด ท่านมาประชุมกันหมดเทวดา ก, ก็ดีพระวัดินนางฟ้าทั้งหมดเหมือนกับท่านรู้เรื่องพอเข้าไปถึงก็ไปกราบท่านผู้มีขนเึ่นอาการแบบนี้ทําทุกวันเพื่อกร่าวท่านผู้มีพระุณทุกท่านทั้งหมดแล้วก็นั่งลงในสถานที่ท่านจัดไว้กราบเรียนท่านบอกว่าหลังจากนี้ต่อไป อาการของร่างกายทางท้องก็ดีอาการบวมของร่างกายก็ดีความดันต่างๆก็ดีความเป็นไข้ทั้งหมดที่มันทุกขโทรมานอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้อาการทางท้องหรือทางตามเสียงพูดถ้าบัญยังเทอรมานแบบนี้ต่อไปก็ขอลาทุกท่าน จะขออยู่เป็นมนุษย์แค่สิ้นปีพศ .2534 เมื่อขึ้นต้นปีพศ .2535 ขอลาจากความเป็นมนุษย์ก็อ่านไปถามโยมท่านโยมเล็กเพราะว่าถ้าหากว่าจะมาใส่ที่เดาเดึงอยู่ได้ไหมสักสซกคราวจงกว่าจะถึงจุดสูงสุดคือนิพพาน ท่านบอกไม่ได้คุณบ้านใครก็บ้านมันบ้านของใครก็บ้านของมันคุณจะมาสายฉันไม่ได้ถ้าคุณจะตายจริงคุณต้องไปบ้านคุณไม่ใช่บ้านฉัน <S <S ก็เป็นนั้นว่าเมื่อท่านบอกอย่างนั้นกลยบูกตกลงท่า น, นก็ขอไปบ้านที่เพิ่งอยู่บ้านที่มีอยู่บ้านมีอยู่แล้วไม่หนักใจ ทนันทีเวลานั้นท่าสามบดีพรมท่านก็นถามว่าคุณตัดสินใจจริงๆหรือบอกฉันก็เป็นพ่อคุณมาในกายก่อนนะฉันก็ยังตามรักษาคุณอยู่ทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยฉันช่วยได้ฉันช่วยทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโยมอาการทางร่างกายแบบนี้มันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ ทำอะไรก็ไม่สะดวกมันลาบากคนทุกคนที่เขามีความเกี่ยวเนื่องหมอตั้งหลายหม อ, อยังหมอจรุนนี่หมออะไรหมอหญิงไม่เขียนไม่ออกแล้วเมียหมอจรุนแสงโสมสองคนนี่ถ้า ม, มากรุงเทพเธอก็ต้องมันนั่งคอยตั้งแต่ห้าสี่ทุม่มห้าทุ่มบางกีก็ บ, บ้านในห้าทุม่มพอฉีดยา น, นอนหลับให้ให้น้ำเกลือ บางทีหนักเขงิงก็ต้องเรียกมาที่วัดธาตุส่งแ้าคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดต้องพยาบาลหนักสก็คือพรนุชขึ้พรนุชขึ้นขงดีนี่เป็นตัวแทนเขาหมอหมอให้ยาอะไรสั่งงานไว้เธอม่หน้าที่ปฏิบัติการล้างท้องก็คืองานโรงเรียนเธอก็ต้องทํางานวัดงานภายในก็ต้องทําหนักที่สุดจ็ต้องพร้อมหลงพร้อมหลงก็คิดว่า ถ้าคนนี้ทำงานไม่ไหวแล้วใครจะพยาบาลคนพูดเนะมีถมไปแต่ว่าคนทำจริงๆมันไม่ค่อยจะมีตนี้บางคนก็บอกไหวเป็นไรผมทำได้ฉันทำได้แต่นั่นเขาพูดเขาไม่ได้ทำเวลานี้ที่ทำจริงๆที่พยาบาลใกล้จริงๆมีคนเดียว แล้วก็ผอมลงทุกวันงานก็หนักงานโรงเรียนก็หนักงานควบคุมเด็กก็หนักงานเลี้ยงหมาก็หนักไอ้หมาก็มีเยอะเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาห ม, มอเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาห ม, มอเดี๋ยวหมอตัวนั้นไม่สบายเดี๋ยวหมาตัวนี้ป่วยยังจะมาพระแก่ป่วยอีกถ้าแก่ป่วยที่ก็หนักมากหน้าที่แล้วงท้อไว้ ห, ไหน้าที่ของเธอ้การจัดยาเป็นหน้าที่ของเธอตามคํำสั่งของหมอ ใครถ้าไม่สบายหนักหมอที่รับฉากหนักก็คือหมอจรุนหมอจรุนรับโทรศัพท์ตึกตึกตื่นเต้หมอหญิงก็ด้วยกันของสองตาสองตาใหญ่รับหน้าที่ปฏิบัติสั่งยาบ้างแล้วก็มีหมอพิเศษเจ้าพ ญ, ญาที่ยุดยายอีกที่กรุงเทพก็ยังมีหมอหมอมนตรีหมอวัฒนะ แล้วก็บอกออหมอช น, นะหมอโปชื่จริงที่ไรไม่รู้แกไม่ได้ทั้งหมดที่เขาวุ่นวายไปตามๆกันแต่ว่าบรรดาท่านหลายทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าทั้งพรหมท่านนั่งไปช่วขกนันหนึ่งเวลาได้ปรากฏว่าท่านสามัคีพรหมท่านพูดออกมามีทางช่วย คนอย่าเพิ่งตัดสินใจตามนั้นนะฉันจะหาทางช่วยก่อนถ้าพ่อช่วยไม่ได้พ่อตามใจลูกทุกอย่างพ่อไม่เคยขาดใจลกูกแต่คราวนี้ขอภัยเถอะขอสักครั้งหนึ่งยับยั้งไว้ก่อนว่าไอเดือนมกราเนะ่ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งคิดตายเลยบอกกันว่ามกราหรือไม่ใช่มกราไม่สาคัญ อาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งกุจาระที่แข็งขวางนําไส้เป็นประจำถ้าอันนี้ไม่ออกความสุขจะไม่มีในอาการป่วยนักจริงมันมีจุดนี้จุดเดียวที่มีความสำคัญยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ใครเขาว่ายาอะไรดีก็ช่วยไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ด้านเสมะ ด้านเสพหาก็อาศัยหมอวิเศษให้ยามาชเรียกว่ายาเจาะสมองให้เสพหามันไหลออกมา ก, ก็เทียงไปที่ไอจเจนเป็นเสพหะกมีการห่างไปมากเกือบจะไม่มีผ่อนไปได้แล้วในทางท้อง น, นี่ไม่มีใครสามารถจะแก้ได้อาการผ่อนครก็มี ม, มันอึดมันเสียดมันปวดอยู่เสมอเวลานี้หนักจริงๆก็ทั้งพูดไม่ชัด ขณะนี้ที่พูดอยู่นี่ก็ลิ้นแตกจัรู้สึกว่าเสียงดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาบาะทีพระเทวดาท่านจะช่วยไม่งั้นท่านผู้ฟังจะฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นว่าถ้าอาการอย่างนี้ไม่ผ่อนคลายไปจะรอถึงวันสิ้นปีถ้าวันสิ้นปีไปถึงวันรุ่งขึ้นปีใหม่นั่นคือวันตายของร่างกายจะไม่คอยอยู่เพราะต่ า, ตา ตามสิทธิจริงๆสามารถจะไปได้แต่ว่าพระท่นานไม่ให้ไปถ้าบอกว่าไม่เป็นไรคุณฉันจะหาทางช่วยและต้องช่วยให้ได้ก็เป็นเวลาแท่งกลับพอแั้งกลับมาแล้วก็ปรากฏออกมาเจดลงสองหลงนั่งคอยอยู่คือหลวงพุทธกับท่านลงใหญ่ท่านก็เปิดบัญชีขึ้นมาหลุงใหญ่เปิ่บชีพรกคุณ ไอเรื่องต่างๆนะมันควรจะระ ง, งับไปได้แล้วนะมันมีแต่เส้นสีทองหนาตลอดไปตัวใหญ่ขึ้นทุกวันใหญ่เรื่อยไปใหญ่จนกระทั่งใหญ่มากสําหรับเส้นสีดําสีแดงเนี่มันก็จางลงแล้วสมมติลุงมันจางอะไรเวลานี้มันเป็นทั้งไข้หวัดเป็นทั้งความดันทั้งท้องก็อืดเสียดไอขี้ก่อนั้นมันก็ไปออกชิ้นก็มองเห็นยาอะไรก็ทําไม่ได้ อย่างนี้ถ้ามันยังไม่ตายมันก็ทรมานแบบนี้นี่พูดไม่ชัดนะนะลุงนะเวลาสอนกรรมฐานในพรรษาในโรยหงสอนกรรมฐานตั้งใจก็าจะสอนด้วยไปทั้งแม้ต้องออกพรรษาถ้าอยู่แต่ก็พูดไม่ชัดคนฟังไม่ชัดในเมื่ออาการทางร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้จะเอามันไว้ทําไมจะเกาะร่างกายมันเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อชั้นมันใช้มันไม่ได้ก็เลิกใช้มัน คำว่าตายมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตใจแต่บ้านมีที่อยู่ถ้าเราจะส่งเคราะห์คนก็ไม่ยากถ้าว่าคนใดเขาต้องการส่งเคราะห์เราก็มาสงเคราะห์ถ้าจิตใจของเขาดีในขณะนั้นในขั้นอุปจาระสมาธิเขาก็เห็นเราได้เราก็สอนเขาได้ไม่ต้องละบากร่างกายนี้ไม่ต้องล ะ, ะบากคนอืน่นลงสองลงแทนก็หนิ่ง ท่านถามว่าพระทำาะไรอย่างไงก็เรียนลุงสองลงบอกว่าพระทำไม่ผุดพระจะเงียบลุงก็เลยบอกว่าคุณเวลานี้มันหกทุ่มเสร็จแล้วนะคุณพักผ่อนนอนได้สิเคาก็บอกลุงไม่เป็นไรเรื่องนอนนอยกันแน่แต่ว่ามันจะหลับหรือไม่หลับนี่เรื่องต่งางหากแล้วลุงทั้งสองก็จะหลับท่านก็นกนกนบอกว่าคุณ ผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตายอย่าเพิ่งไปจากร่างกายคนที่ยังต้องการคุณยังมีอยู่แต่คนที่หวังจะสงเคราะห์คุณยังมีอยู่ใครถามว่าให้การสงเคราะห์มีประยชน์อะไรใหเมื่อทุกเวทนามปอย่างนี้ถ้านบอกเอาอยัางงี้ก็แล้วกันให้ลูกหลานเขามีกำลังใจ คือพระผู้ใหญ่ท่านพร้อมในการสงเคราะห์ก็มีสมเด็จพระตัคโสดาจารย์วสัมภยาเก้าสมเด็จพระทายาทวสเกตสององค์นี้เป็นกําลังสําคัญกําลังให้ความไม่ตาแล้วก็มีหลายหลายองค์อีกเยอะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสงเคราะห์คนจะหนีการสงเคราะห์ท่านไปยังไงก็บอกไปเดินหนีแต่วยันหนีทุกขเวทนาท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ผมขอร้องไว้ก่อนเคยบอกว่าลงเอานี้ก็แล้วกันถ้าการดีขึ้นไม่ต้องขออยู่อยู่ไม่จำกัดปีไม่จำกัดเวลาเสียงพระเพลิบอกว่าตามกำหนดที่ไว้กำหนดไว้ให้บอกว่าครับถ้าทุกขเวทนาครายตัวผมอยู่ตามนั้นด้าเลยกว่านั้นก็ได้ถ้าทุกขเวทนาไม่ครายตัว ผมขอตามเวลาที่ผมตั้งใจไว้สิ่งใดถ้าตรงตั้งใจแล้วจะไม่ยอมถอนความตั้งใจเด็ดขาดพระท่งก่อนหนึ่งหลังจักนั้นก่อนนอนพอนอนลงไปคิดว่าทางท้องเต้าคลายตัวเข้ามามากจากตะมันชาตรีน้ำมันชาตรีนี่ช่วยมาก จะคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องล้างทองแต่อยู่ๆเจ้าสีแดงก็โผล่มาน้ำมันชาติถอยหลังมันจับก้อนแข็งทันทีทองอืดเสียดเสียดทั้งวันจะพูดกั บ, บรรดาษพรท ต, ตบริษั ท, ที่มาก็ต้องทนพูดไม่ใช่อดทนมันทนอดแต่ในที่สุด ก็มีการความดันสูงเกิดขึ้นไอ้ความดันสูงเกิดขึ้นเน่ยมันเชื่อไม่ได้ว่าจะตายหรือไม่ตายดีไม่ดีมันไม่ตายแต่เป็นอ ภ, าภาิพาตมันก็ยุ่งของอื่นเขาในคนที่พยาบาลก็หนักที่สุดคนที่หนักจริงๆเวลานี้คือพอนธคนขณคือรองดีเธอก็เป็นผู้หญิงถ้าก็มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งนี้เพราะอะไคนอื่นอย่างพระท่านสนใจไม่กันท่านสนใจแต่ฟัง แล้วถ้าก็อยู่พอเดียวๆถ้าพอรน้ ก, ก็มาอยู่ด้วยเป็นประจำเขาให้ยาแล้วเขาก็กลับถ้ามีความจะเป็นก็ต้องเธอสัพท์แจ้งเธอให้จัดยาบานทีก็ลุกไม่ขึ้นไอ้เธอก็ผอมงานก็หนักก็คืนก็นอนดึกงานองากงเรียนก็ต้องทำงานภายในก็ต้องทำ ในการทรมานคนแบบนี้ไม่ใช่ของโก้คุณบอกลงุงบอกเอานี้ก็แล้วกันลงนะถ้าหากว่าอาการต่างๆไม่คลายตัวฉันตายท่านบอกพระขอร้องแล้วบอกขอตามใจพระถ้าพระขอร้องแล้วพระต้องให้อาการคลายตัวลงถ้าทุกอย่างไม่คลายตัวลงขอตายแนๆ่ๆไม่เกินวันที่3มกราคม2555 ท้าท่านถามว่ารตรงท้าไปวันดีหรือพอเป็นวันดีที่จะไปนิพพานวันไหนไปนิพพานวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดไม่ต้องดูไม่ต้องดูงดโหรละเลิกเลิกยามเป็นอันว่าลุงท่านก็รู้จักวิสัยดือ้อพระท่านก็รู้ยี่ห้อดือ้อผมก็รู้ดือ้อใครก็รู้อะไรดื้อไมใครก็รู้บันดือ้อมากี่แสนชาติแล้ว แต่ความจริงก็ดื้อย่างมีเหตุมีผลไองานที่ทํามันต้องพูดมันต้องเดินทางนี่เดินทางคราวไรท้องผูกเครียดถ่ายไม่ออกถ้าพูดหนัหนกเข้าแม้แต่บันทึกเสียงท้องผูกไขไม่ออกเออเสียดไองานที่ต้องทําสอนวัฒนธรรมมันต้องพูดแล้วมันก็ต้องเดินทาง ล้วก็โรคมันขวางเราสองทางแล้วจะอยู่เพื่ออะไรก็เป็นธรวมะลงกลับก็นอนพอนอนลงไปก็นึกในใจว่าคาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่าคาถาบทนี้ถ้าทมนำมนและรักษาได้ทุกโรคนั่นคือทุกขาทุกขังพู้ปฏิตังสำเร็จสามิ ก็นึกในใจว่าถ้ากรถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่านให้เราเราก็จะลองรักษาตัวดูถ้ากรถาบทนี้ให้รักษาเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครก็พอดีคนสมทสิทธ์ที่เรียกว่าสุธิรุตราเธอรักษาปัญญาเธอให้ปัญญาเธอพภาวนากระถาบทนี้ใช้มิตรห อ, อแต่ต เธอหายปวดจะร่าง ก, กายหลายปวดแปลว่าจันทร์ก็นอนภาวนาคาถาบดนี้เป็นฌานื่อว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบดนี้เรื่อยไปจนกว่าโรคจะหายแทนคําว่าพุทโธสมาหรหังแทนทุกอย่างที่ใช้เว้นไว้แต่บางกรณีบางขณะเราจะไปสวรรค์เราจะไปพุทธโลกเราจะไปนิพพาน ตอนนั้นอีเรื่องหนักถ้าอยู่ปกติจะภาวนาว่าจะภาวนาว่าทุกขาทุก ข, งขังสุปฏิติฏังสมนึกฌามิว่าเรื่อยๆตามตัวทัศนก็เริ่มภาวนาก็เริ่มภาวนาอารมณ์ก็เริ่มเป็นสุอารามันดาท่านพุทบริสัทเริ่มสุแล้วก็เลิกกันดีกว่าไหมเพราะอะไรเพราะเวลามันเหลือไม่ถึงครึ่นนงนาทีเขาลากราเดียวฟังใหม่ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี